9. รุกขมมลิกังคะกถาการสมถานแม้รุกขมมลิกังคะทุดงก็ย่อมเป็นอั ญ, ญโยคีบุคคลสมทานเอาแล้วด้วยคำสมทานอย่างใดอย่างหนึ่งจากคำสมทานสองอย่างคือฉันนังปฏิคิปามิข้าพเจ้าขอปฏิเสธที่อยู่ที่มีหลังคาดังนี้อย่างหนึ่ง รูปขมูลิกังคังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาองค์แห่งภิกษุผู้อยู่ที่โคนไม้เป็นปกติดังนี้อย่างหนึ่งว่าด้วยการสมาทานในรุกขมูลิกังค้าทุดงนี้เพียงเท่านี้กรรมวิธีก็แลอันภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นปกตินั้น พึงยึดเอาต้นไม้ที่อยู่สุดเขตวัดโดยละเว้นต้นไม้เหล่านี้คือต้นไม้อยู่ในระหว่างเขตรัตศีมาต้นไม้เป็นที่นับถือบูชาต้นไม้มียางต้นไม้มีผลต้นไม้มีั้างเขาต้นไม้มีโพรงและต้นไม้อยู่กลางวัดว่าด้วยกรรมวิธีในรุกขมูลิกังค้าตดงนี้เพียงเท่านี้ ประเภทเมื่อว่าโดยประเภทแมรุกขมูลิกะภิกษุนี้ก็มีสามประเภทในสามประเภทนั้นรุกขมูลิกะภิกษุชั้นอุกฤษจะยึดถือเอาต้นไม้ตามชอบใจแล้วใช้คนอื่นให้ปัดกวาดไม่ได้พึงใช้เท้าเขียใบไม้ที่ร่วงหล่นด้วยตนเองแล้วอยู่เถิดรุกขมูลิกะภิกษุชั้นกลางจะใช้บรรดาผู้ที่บังเอิญมาถึง หน้าที่ตรงนั้นให้ช่วยปัดกวาดก็ได้อนุรุคขมูลิกะภิกษุชั้นต่ำพึ่งเรียกคนรักษาวัดหรือสัมมนเนรมาแล้วใช้ให้ช่วยชำระปัดกวาดให้สะอาดให้ช่วยปราบพื้นให้สม่ำเสมอให้ช่วยเกลี่ยทรายให้ช่วยล้อมรัว้วให้ช่วยประกอบประตูและอยู่เถิดแต่ในวันงานมหากรรมฉลองอนุรุคขมูลิกะภิกษุ อย่านั่งอยู่ณที่นั้นพึงหลบไปนั่งณที่กำบังแห่งอื่นเสียว่าด้วยประเภทในรูปขมูลลิกการค้าทุดงนี้เพียงเท่านี้ความแตกทุดงนี้ยอมแตกคือหายจากสภาพทุดงในขณะที่รูปขมูลลิกะพิกสุทั้งสามประเภทนี้สำเร็จการอยู่ในที่อันมีหลังคานั่นเทียว ท่านผู้ชำนาญคำภีอังคุตระนิกายอธิบายไว้ว่าทุดงนี้ยอมแตกในขณะที่รุกขมูลิกะภิกษุเหล่านั้นรู้แล้วทำอรุณให้ขึ้นในที่อยู่อันมีหลังคาว่าด้วยความแตกในรุกขมูลิกงังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้อานิสง์ อ น, นิสงส์งในทุดองนี้มีดังนี้คือเป็นผู้มีข้อปฏิบัติสมควรแก่ปัจจัยเครื่องอาศัยตามพระพุทธวจนะข้อว่าการบวชอาศัยเสนาสนะคือโคนไม้เป็นผู้มีปัจจัยอันพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญไว้มีอาทิเช่นว่าปัจจัยเหล่านั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยด้วยหาได้ง่ายด้วยเป็นสิ่งที่หาโทษมิได้ด้วย เป็นการยังอนิจจสัญญาให้ปรากฏโดยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของใบไม้ไม่มีความตรนี่เสนาสนะและความหลงยินดีการงานเป็นผู้มีการอยู่ร่วมกับรุกขเทวดาทั้งหลายเป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่คุณมีความสันโดษเป็นต้นที่อยู่อาศัยของภิกษุผู้ชอบความสงัดอันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ทรงสันเสริญและเชยชมแล้วว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยที่จะเปรียบเสมอด้วยโคนไม้จะมีแต่ที่ไหนจริงอยู่ภิกษุผู้อาศัยอยู่ที่โคนไม้อันสงัดเป็นที่นำออกซึ่งความตระนีอาวาสอันเทวดาอภิบาลรักษาย่อมเป็นผู้มีวัดปฏิบัติอันดีงามเมื่อรุกขมูลิกะภิกษุ ได้เห็นใบไม้หลายชนิดคือชนิดที่แดงเข้มบ้างชนิดที่เขียวสดบ้างชนิดที่เหลืองซึ่งร่วงหล่นแล้วบ้างย่อมจะบรรเทานิจสัญญาคือความหมายว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเที่ยงเสดายเพราะฉะนั้นแลภิกษุผู้เห็นแจ้งย่ได้พึงดูหมินโคนไม้อันสงัดอันเป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้และเป็นที่อยู่อาศัย ของผู้ยินดีแล้วในการภาวนาว่าด้วยอ น, นิสงส์งในรุกขมูลิกังขาทุดงนี้เพียงเท่านี้พรนานาการสมาทานกรรมวิธีประเภทความแตกและอ น, นิสงส์งในรุกขมูลเ็กังขาทุดงยุติลงเพียงเท่านี้สิบอภโกาสิกังคะคาถา การสมท า, านแม้อพโพกาสิกังคะทุดงก็เป็นอัญโยคีบุคคลสมท า, านเอาแล้วด้วยคำสมท า, านอย่างใดอย่างหนึ่งจากคำสมท า, านสองอย่างนี้คือฉันนันจะรุกขมู ล, ลันจะปาติขิปามิข้าพเจ้าขอปฏิเสธที่อยู่อันมีหลังคาและโคนไม้ดังนี้อย่างหนึ่งอพโพกาสิกังคังสมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้อยู่นาที่กลางแจ้งเป็นปกติดังนี้อย่างหนึ่งว่าด้วยการสมาทานในอัโภกาสิกังคะทโดงนี้เพียงเท่านี้กรรมวิธีอันอับโภกาสิกาภิกษุนั้นจะเข้าไปยังโรงอุโบสถเพื่อจะฟังธรรมเทศนา หรือเพื่อจะทำอุโบสถกรรมก็ได้เมื่อเข้าไปแล้วฝนเกิดตกขึ้นมาครั้นฝนกำลังตกอยู่ก็ไม่ต้องออกเมื่อฝนหายแล้วจึงค่อยออกจะเข้าไปโรงฉันหรือโรงไฟเพื่อทำกิจวัตรก็ได้จะไปบอกอําลาพัติกะภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระในโรงฉันก็ได้เมื่อจะแสดงพระบาลีเอง หรือให้ผู้อื่นแสดงให้ฟังจะเข้าไปยังที่อยู่อันมีหลังคาก็ได้และจะเอาเตียงละต่างเป็นต้นซึ่งทิ้งเกะกะอยู่ข้างนอกเข้าไปเก็บไว้ข้างในก็ได้ถ้าเมื่อกำลังเดินทางถือเครื่องบริการของพระเทระผู้ใหญ่ไปเมื่อฝนตกจะเข้าไปยังศาลาซึ่งอยู่กลางทางก็ได้ถ้าไม่ได้ถืออะไรอะไรจะรีบเดินไป ด้วยหมายใจว่าจะพักอยู่ในศาลาย่อมไม่สมควรแต่เมื่อเดินไปอย่างปกติเข้าไปในศาลาแล้วก็พึงอยู่จนกว่าฝนจะหายจึงค่อยไปว่าด้วยกรรมวิธีที่อภโกาสิ ก, กังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้แม้วิธีแห่งลุกขมูลิกาภิกษุก็มีนัยนี้เหมือนกัน ประเภทเมื่อว่าโดยประเภทแม้อัโภกาสิกะภิกษุนี้ก็มีสามประเภทในสามประเภทนั้นสำหรับอัโภกาสิกะภิกษุชั้นอุกริตจะเข้าไปพระพิงอิงต้นไม้หรือภูเขาหรือเรือนอยู่ไม่ได้ต้องทำกระท่อมผ้าคือกลางกรดอยู่ณที่กลางแจ้งเท่านั้น สำหรับอภกาสิกะภิกษุชั้นกลางจะเข้าไปพะพิงอิงต้นไม้ภูเขาและบ้านแต่ไม่เข้าไปอยู่ข้างในได้อยู่สำหรับอภกาสิกะภิกษุชั้นต่ำเงื้อมเขาซึ่งมีขอบเขตไม่ได้มุงบางก็ดีประรำที่มุงบางด้วยกิ่งไม้ก็ดีผ้ากรดหยับหยาบก็ดีในที่นี้วงเล็บไว้ว่าผ้าเต็นต์กระมัง กระตอบซึ่งอยู่ตามที่นั้นๆที่พวกคนเฝ้านาเป็นต้นทอดทิ้งแล้วก็ดีใช้ได้ทั้งนั้นว่าด้วยประเภทในอัปโภกาสิกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้ความแตกทุดงนี้ยอมแตกคือหายจากสภาพทุดงในขณะที่อัปโภกาสิกะภิกษุทั้งสามประเภทนี้ เข้าไปสู่ที่อยู่อันมีหลังคาหรือเข้าไปสู่โคนไม้เพื่อจะอยู่อาศัยท่านผู้ชนานาญัมพีอังคุตระนิกายอธิบายไว้ว่าทุดงนี้ย่อมแตกในขณะที่อภกา a สิกภิกษุรู้แล้วทำอรุณให้ขึ้นในที่อยู่ซึ่งมีหลังคาหรือโคนไม้นั้นว่าด้วยความแตกในอภกา a สิกังคะทุดงนี้ เพียงเท่านี้อา น, นิสงอา น, นิสงในทูดงนี้มีดังนี้เป็นการตัดความกังวลในที่อยู่เสียได้เป็นอุบายบรรเทาทีนามิทะคือความง่วงเหงาหานอนเป็นผู้สมควรแก่การที่จะสรรเสริญว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีบ้าน ไม่ติดข้องเที่ยวไปมีอาการปานดังฝูงเนื้อฉะนั้นเป็นผู้สิ้นความเกี่ยวก่อเป็นผู้จาริกไปได้ในทิศทั้งสี่เป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่คุณมีความมักน้อยเป็นต้นภิกษุมีจิตใจเป็นดังจิตใจของเนื้อสายอาศัยอยู่ณที่กลางแจ้งอันมีเพดานประดับด้วยแก้วมณีคือดวงดาวอันสว่างสวยัย ด้วยดวงประทีปคือดวงจันทร์อันสมควรแก่ภาวะของท่านผู้ไม่มีเรือนทั้งหาได้ไม่ยากกำจัดความง่วงเหงาหานอนให้สางซาแล้วอาศัยล้วซึ่งความเป็นผู้ยินดีในภาวนาไม่นานสักเท่าไหร่ย่อมจะได้ประสบซึ่งความยินดีในรสอันเกิดแต่ความสงัดเป็นแน่แท้เพราะเหตุ น, นั้นแลอันภิกษุผู้มีปัญญา พึงเป็นผู้ยินดีในที่กลางแจ้งนั่นเทินว่าด้วยอานิสงส์ในอัปโภกาสิกังคะทุดวงนี้เพียงเท่านี้พันนาการสมาทานกรรมวิธีประเภทความแตกและอนิสงส์ในอัปโภกาสิกังคะทุดวงยุติลงเพียงเท่านี้ทุดงขวัตข้อที่สิอ็ โสสานิกนารคัตกถาการสมทานแม้โสสานิกนารคัธุดงก็ย่อมเป็นอัญโยคีบุคคลสมทานเอาแล้วด้วยคำสมทานอย่างใดอย่างหนึ่งจากคำสมทานสองอย่างนี้คือณสุสานังปฏิคิ ป, ปามิข้าพเจ้าขอปฏิเสธที่อันมิช่สุสานดังนี้อย่างหนึ่ง โสสานิการังสัมมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้อยู่ในป่าช้าเป็นปกติดังนี้อย่างหนึ่งว่าด้วยการสมาทานในโสสานิกังขะทุดงนี้เพียงเท่านี้กรรมวิธีอันภิกษุผู้อยู่ในสุสานเป็นปกตินั้น ไม่พึงอยู่ในสถานที่ที่พวกมนุษย์อาศัยบ้านอยู่แล้วกำหนดหมายเอาไว้ว่าที่ตรงนี้ทำเป็นสุสานเพราะเมื่ อ, อยังไม่ได้เผาศพสถานที่นั้นจะได้ชื่อว่าสุสานหาได้ไม่แต่นับแต่เวลาที่เผาศพแล้วไปแม้เขาจะทอดทิ้งไปแล้วถึงสิบสองปีสถานที่นั้นก็ยังคงสภาพเป็นสุสานอยู่นั่นเอง และเมื่อโสสานิกะภิกษุอยู่ในสุสานนั้นจะให้ปลูกสร้างสถานที่เช่นปา ร, รามสำหรับจงกรมจะให้จัดแจงเตียงละตังจะให้ตั้งน้ำฉันและน้ำใช้จะสอนธรรมะหาเป็นการสมควรไม่ก็ทุดงนี้เป็นภาระหนักคือบริหารได้ยากเพราะฉะนั้น <S 2> <S 2> เพื่อป้องกันอันตรายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอันโสสานิกะภิกษุ พึงกราบเรียนพระสังฆเถระหรือบอกเจ้าหน้าที่ให้ทราบไว้จึงอยู่อย่างไม่ประมาทนั่นเถิดเมื่อเดินจงกรมก็พึงเดินชำเลืองตาดูสุสานไปพลางท่านผู้ชำนาญในคำภีอังคุตรนิกายพันนาไว้ว่าแม้เมื่อโสสานิกะภิกษุจะไปสู่สุสานนั้นพึงหลบจากทางสายใหญ่ๆเสีย หลัดเลาะไปตามนอกเส้นทางพึงกำหนดหมายอารมณ์ไว้เสียแต่ในกลางวันทีเดียวเช่นหมายไว้ว่าตรงนี้เป็นจอมปลวกตรงนี้เป็นต้นไม้ตรงนี้เป็นตอเพราะเมื่อกำหนดหมายไว้อย่างนี้อารมณ์นั้นจะไม่ทำให้เกิดความหวาดกลัวแก่เธอในเวลากลางคืนแม้ถึงจะมีพวกอมนุษย์เที่ยวร่ำร้องอยู่ไปมาในเวลากลางคืน ก็อย่าคว้างป่าด้วยวัตถุอะไรเช่นก้อนดินและก้อนหินเป็นต้นอันโสสานิกาภิกษุนั้นที่จะไม่ไปยังสุสานแม้เพียงวันเดียวหาได้ไม่ต้องทำให้มัชิมยามคือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองหมดสิ้นไปอยู่ในสุสานแล้วจึงกลับออกมาในเวลาปัจฉิมยามคือตั้งแต่ตีสามถึงหกโมงเช้า ของเคี้ยวของฉันอันเป็นที่ชอบใจของพวกอนมนุษย์เช่นแป้งผสมงาข้าวผสมถั่วปลาเนื้อนมน้ำมันและน้ำอ้อยเป็นต้นไม่ควรจะเสพไม่ควรเข้าไปสู่เรือนแห่งตระกูลว่าด้วยกรรมวิธีในโสสานิกังฆาทุดงนี้เพียงเท่านี้ประเภท เมื่อว่าโดยประเภทแม้โสสานิกะภิกษุนี้ก็มีสามประเภทในสามประเภทนั้นโสสานิกะภิกษุชั้นอุกริตต้องอยู่ในสุสารซึ่งมีการเผาศพประจํามีศพประจําและมีการร้องไห้เป็นเนืองนิดเท่านั้นสำหรับโสสานิกะภิกษุชั้นกลางให้องคุณแห่งสุสารสามชนิดนั้นแม้จะมีเพียงชนิดเดียว ก็สมควรสำหรับโสสารนิกะภิกษุชั้นต่ำอยู่ในสูสารที่พอเข้าลักษณะแห่งสูตรสารตามนัยยะที่กล่าวแล้วก็เป็นการสมควรว่าด้วยประเภทในโสสารนิกังคะทุ ด, ดงนี้เพียงเท่านี้ความแตกทุ ด, ดงนี้ย่อมแตกคือหายจากสภาพทุ ด, ดง โดยที่โสสารนิกายพิสษุทั้งสามประเภทนี้สำเร็จการอยู่ในสถานที่ซึ่งมิใช่สุสารนั่นเที่ยวท่านผู้ชำนาญในคำภีอังคุตระนิกายอธิบายไว้ว่าทุดงนี้ย่อมแตกในวันที่ไม่ไปสู่สุสารว่าด้วยความแตกในโสสารนิกางข้าทุดงนี้เพียงเท่านี้อานิสง อนิสงในทุดงนี้มีดังนี้คือได้มรณะสติมีการอยู่อย่างไม่ประมาทได้ประสบอสุภานิมิตบรรเทาเสียได้ซึ่งความกำหนัดในกามได้เห็นสภาวะแห่งกายหนึ่งเนืองเป็นผู้มากด้วยความสังเวชสลดใจละเสียได้ซึ่งความเมาในความไม่มีโรคเป็นต้นครอบงำเสียได้ซึ่งภัยอันน่ากลัวมีภาวะเป็นที่เคารพ และเป็นที่น่าสรรเสริญของอะมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่คุณมีความมากน้อยเป็นต้นก็แลโทษเพราะประมาททั้งหลายย่อมไม่ถูกต้องพ้องผ่านซึ่งภิกษุผู้อยู่ในสุสานเป็นปกติแม้จะหลับอยู่ก็ตามทั้งนี้เพราะอำนาจแห่งมรณานุสติภาวนา และเมื่อโสสานิกาภิกษุนั้นเห็นศพอยู่อย่างมากมายจิตของท่านไม่ตกไปสู่อนุภาพและอำนาจของกามเลยโสสานิกาภิกษุย่อมประสบความสังเวชสลดใจอย่างไพศาลยา่ยอมไม่เข้าถึงซึ่งความมัวเมาอันหนึ่งชื่อว่าพยายามสแสวงหาอยู่ซึ่งพระนิพพานโดยชอบด้วยประการชะนี้ อันภิกษุผู้เป็นบัณฑิตผู้มีจิตน้อมเอียงไปหาพระนิพพานพึงส่องเสพซึ่งโสสานิกางคาทุดงเถิดเพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งคุณเป็นอเนกประการว่าด้วยอ น, นิสงส์งในโสสานิกางคะทุดงนี้เพียงเท่านี้พรนานาการสมทานกรรมวิธีประเภทความแตกและอ น, นิสงส์งในโสสานิกงังฆะทุดง ยุติลงเพียงเท่านี้ทุดงควัตข้อที่ส2สองยะถาสันติกังคะกะถะาการสมทานแม้ยะถาสันติการฆาทุดงก็ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลสมทานเอาแล้วด้วยคำสมทานอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่คําสมทานสองอย่างนี้คือเสนาสนะโลลุปปังปฏิคิปามิข้าพเจ้าขอปฏิเสธความละโมบในเสนาสนะดังนี้อย่างหนึ่งยถาสันติกังคังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะตามที่จัดแจงเวลาอย่างไรเป็นปกติดังนี้อย่างหนึ่ง ว่าด้วยการสมทนานยะถาสันตติกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้กรร ม, มวิธีเสนาสนะใดาที่สงให้เธอรับเอาแล้วด้วยคำว่าเสนาสนะนี้ถึงแก่ท่านชันี้อนยญถาสันาติกะภิกษุนั้นพึงยินดีด้วยเสนาสนะนั้นเท่านั้น ไม่พึงขับไล่ภิกษุอื่นให้ลูกหนีไปว่าด้วยกรรมวิธีนยัยถาสันติการฆะทุดงนี้เพียงเท่านี้ประเภทเมื่อว่าโดยประเภทแม่ยถาสันติกะภิกษุนี้ก็มีสามประเภทในสามประเภทนั้นยถาสันติกะภิกษุชั้นอุกริต จะสอบถามถึงเสนาสนะที่ถึงแก่ตนว่าใกล้ไหมใกล้ไหมอันอามนุ์และจำพวกสัตว์ที่ขะชาติเป็นต้นรบกวนไหมร้อนไหมหรือเย็นไหมดังนี้หาได้ไหมยะถาสันติกะภิกษุชั้นกลางจะสอบถามดังนั้นได้อยู่แต่จะไปตรวจดูหาได้ไหมยะถาสันติกะภิกษุชั้นต่ำ รันไปตรวจดูเสนาสนะแล้วถ้าไม่ชอบใจเสนาสนะหลังนั้นจะถือเอาเสนาสนะหลังอื่นก็ได้ว่าด้วยประเภทนิยธาสันติกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้ความแตกทุดงนี้ยอมแตกคือหายจากสภาพทุดงในขณะพอเมื่อยธาสันติกะภิกษุทั้งสามประเภท เกิดความละโมบขึ้นในเสนาสนะนั่นเทียวว่าด้วยความแตกในยะาสันติการคะทุดงนี้เพียงเท่านี้อา น, นิสงอา น, นิสงในทุดงนี้มีดังนี้คือเป็นการกระทาตามพระพุทธโอวาทข้อว่าได้สิ่งใดก็พึงยินดีด้วยสิ่งนั้น เป็นผู้มุ่งประโยชน์ให้แก่เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายเป็นการสละความเลือกในของเลวและของประณีตเป็นการสละเสียได้ซึ่งความดีใจและความเสียใจเป็นการปิดประตูแห่งความมักมากเป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่คุณมีความมากน้อยเป็นต้นภิกษุผู้สำรวม มีอันอยู่ในเสนาสนะตามที่จัดแจงไว้แล้วเป็นปกติได้สิ่งใดก็ยินดีด้วยสิ่งนั้นไม่เลือกย่อมนอนเป็นสุขในเสนาสนะที่ปูลาดด้วยหญ้าก็ตามยะถาสันติกะภิกษุนั้นย่อมไม่ดีใจในเสนาสนะที่ดีๆได้ของเลวมาแล้วก็ไม่เสียใจย่อมสงเคราะห์บรรดาเพื่อนพรหมจันทรุ่นใหม่ๆด้วยประโยชน์เกื้อกูล เพราะฉะนั้นภิกษุผู้มีปัญญาจงประกอบเนือ ง, งซึ่งความเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะตามที่จัดแจงไว้แล้วอันเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าจำนวนร้อยๆสั่งสมแล้วอันพระมหามุนีผู้ยอดเยี่ยมส่งสันเสริญแล้วว่าด้วยอนิสงส์นิยธาสันติการคะทุ ด, ดงนี้เพียงเท่านี้ พนานาการสมาทานกรรมวิธีประเภทความแตกและอนิสงค์นิยธาสันติกังฆาทุดงยุติเพียงเท่านี้ทุดงขวัดข้อที่สิบสามเนสัชิกังคกถาการสมาทานแม่เนสัชิกังคาทุดง ก็ย่อมเป็นอันโยคียบุคคลสมท า, านเอาแล้วด้วยคำสมาทานอย่างใดอย่างหนึ่งจากคำสมาทานสองอย่างนี้คือเสยยังปฏิคิปามิข้าพเจ้าขอปฏิเสธอิริยาบถนอนดังนี้อย่างหนึ่งเดสัจชิกังคังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยดยอิริยาบถนั่งเป็นปกติดังนี้อย่างหนึ่ง ว่าด้วยการสมาทานในเนสัตชิกังคาทุดงนี้เพียงเท่านี้อนเนสัตชิกะภิกษุนั้นต้องลุกขึ้นเดินจงกรมให้ได้ยามหนึ่งในบรรดายามสามแห่งราตรีเพราะในอิริยาบทีสี่นั้นอิริยาบทนอนเท่านั้นย่อมไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเนสัตชิกังคาทุดง ว่าด้วยกรรมวิธีในเนสัชิกังคะทุดองนี้เพียงเท่านี้ประเภทเมื่อว่าโดยประเภทแม้เนสัชิกะภิกษุนี้ก็มีสามประเภทในสามประเภทนั้นสําหรับเนสัชิกะภิกษุชั้นอุกริตหมอนอิงข้างแค่นั่งทำด้วยผ้าและผ้าสายโยกใช้ไม่ได้ทั้งนั้น สำหรับเนศชิกะภิกษุชั้นกลางในของสามอย่างนี้เพียงแต่อย่างใดอย่างหนึ่งใช้ได้สำหรับเนศชิกะภิกษุชั้นต่ำพนักอิงข้างก็ดีแค่นั่งทําด้วยผ้าก็ดีผ้าสายโยกก็ดีหมอนพิงก็ดีเก้าอี้มีองค์ห้าก็ดีเก้าอี้มีองค์เจ็ดก็ดีใช้ได้ทั้งนั้นก็แล เก้าอี้ที่ทามีพนักข้างหลังชื่อว่าเก้าอี้มีองค์ห้าคือเท้าสี่พนักหลังหนึ่งเก้าอี้ที่ทามีพนักข้างหลังด้วยมีพนักในข้างทั้งสองด้วยชื่อว่าเก้าอี้มีองค์เจ็ดได้ยินว่าเก้าอี้มีองค์เจ็ดนั้นพวกทายกได้ทาถวายแก่ท่านพระจุลอัพยะเทระพระเทระสำเร็จพระอนาคามีบริณิพานแล้ว ว่าด้วยประเภทในเนสัตจิกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้ความแตกทุดงนี้ยอมแตกคือหายจากสภาพทุดวงในขณะพอเมื่อเนสัตจิกะภิกษุทั้งสามประเภทนี้สำเร็จซึ่งอิริยาบทนอนนั่นเทียวว่าด้วยความแตกในเนสัตจิกังคะทุดงนี้เพียงเท่านี้ อา น, นิสงอา น, นิสงในทุดองนี้มีดังนี้คือเป็นการตัดเสียซึ่งความผูกพันแห่งจิตที่ตรัสไว้ว่าเป็นผู้ขวนขวายหาความสุขในการนอนความสุขในการเอนหลังความสุขในการหลับชะนี้ความเป็นที่สัปปายะแก่การบําเพ็ญกรรมฐานทั้งปวงความเป็นผู้มีอุรยาบทเป็นที่น่าเลื่อมใส เป็นการเกื้อกูลแก่การเริ่มทำความเพียรเป็นการเพิ่มพูนการปฏิบัติชอบให้เจริญยิ่งขึ้นเนศจิกะภิกษุผู้สำรวมนางคูบันลังตั้งกายให้ตรงย่อมอยังดวงหารุทยของพญามารให้วาดวันภิกษุผู้ยินดีในการนั่งมีความเพียรปรารบแล้วละความสุขในการนอนความสุขในการหลับแล้ว ย่อมทำป่าอันเป็นที่บำเพ็ญตบะให้งดงามเพราะเหตุที่ตนจะได้ประสบซึ่งปีติและสุขอันปราศจากอามิ t h ฉะนั้นอันภิกษุผู้บัณฑิตพึงมั่นบำเพ็ญเนสัจที่กลางคะทุดงอยู่เนื่องๆ น, น, นั่นเถิดว่าด้วยอ น, นิสง์แห่งเนสัจที่กลางคะทุดงนี้เพียงเท่านี้พรรณนาการสมทานกรรมวิธีประเภทความแตก และอานิสงในเนสัทิ่กังขาทุดงยุติลงเพียงเท่านี้